ข้อสิบสองบทว่าอัจฉาสิแปลว่าได้กล่าวแล้วอธิบายว่าทูลถามแล้วก็คำว่าอธินั้นเป็นเพียงอุปสรรคบทว่าบหูคือมิใช่ผู้เดียวพวกเทวดาโดยอุบัติมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นต้นชื่อว่าเทวดา พวกชนชาวชมพูทวีปชื่อว่ามนุษษาบทว่ามังการานิความว่าซึ่งเหตุเป็นเครื่องถึงความเจริญโดยสมบัติทั้งปวงด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุซึ่งความสำเร็จและความเจริญ ด้วยเหตุเหล่านี้เหตุนั้นเหตุเหล่านี้จึงชื่อว่ามงคลแม้ในสันทนีติปกรณ์พระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวอัดแห่งาธาตุว่าในบทว่ามังคลังนี้มัคยธาตุเป็นไปในความถึงแล้วกล่าวบทกริยาว่ามังคต ก็มคิธาตเป็นอิการันเพราะเหตุนั้นในรูปสำเร็จจึงลงนิกหิตอาคมบทว่าอาจินตยุงแปลว่าคิดแล้วบทว่าอากังคมานาได้แก่จำนงอยู่คือปราถนาอยู่บทว่าสดท่านังแปลว่าซึ่งสวัสดิภาพ อธิบายว่าซึ่งความที่ทำอันเป็นไปในภพนี้และในภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่